หลงปู่ตือ้ออจรลาามม่าธรรมวัดป่าอรัญยวิเวกตําบลบ้านค่าอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2431ถึง2517 คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามองข้ามไปเสียหมดอยู่ที่ตัวของเรานี้เองไม่ใช่อื่นพุทธคือผู้รู้ ก็ตัวของเรานี้เองมีใช่ใครอื่นเช่นเดียวกันกับไข่ไข่อยู่ข้างในของเปลือกของไข่ทำให้เปลือกไข่แตกเราก็ได้ไข่พิจรารณาร่างกายของเราให้แตกแล้วเราก็จะได้ธรรมะ ธรรมะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องการทำอะไรที่จริงจังคือการตัดสินใจอย่างแน่นอนลงไปแล้วเลือกเฟ้นธรรมะปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่นานหรอกเราก็จะได้พบสิ่งที่เราต้องการ ความกลัวทุกอย่างจะหายไปหมดถ้าเราตัดสินใจอย่างใดแล้วคือเราต้องเป็นคนมีจุดมุ่งหมายนักธ ร, รมนักกรรมฐานต้องมีนิสัยเย็งเสือโครง่งคือน้ำจิตน้ำใจต้องแข็ง แ่งกล้าหาญไม่กลัวต่ออันตรายใดๆเที่ยวไปในเวลากลางคืนได้และชอบอยู่ในที่สงัดจากคนและสุดท้าย ทำอะไรลงไปแล้วต้องมุ่งความสำเร็จเป็นจุดหมายไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมพยายามให้เกิดความสนใจในธรรมะปฏิบัติอยู่เสมอ สัตว์นิรชานมันดีกว่าคนตรงที่มันไม่มีมายาไม่หลอกลวงใครในครูอาจารย์ก็คือคนเป็นสัตว์นี้น่ารักน่าสงสารคนเราสิงโงะ เป็นพุท ธ, ธได้แต่หลอกลวงตนเองว่าเป็นไม่ได้ร่างกายก็มีให้พิจารณาว่าเป็นของเน่าเป็นของเหม็นแต่คนเราพิจารณาว่าเป็นของหอมน่ารัก โง่ไหมคนเราจึงควรพิจารณาให้เกิดสังเวทในธรรมใครต้องการอะไรก็ให้เร่งรีบสร้างเอาคุณงามความดีทั้งหมดอยู่ที่ตัวของเราแล้วขันห่านี้เมื่อมันยังไม่แตกดับ ก็อาศัยมันประกอบความดีได้แต่ถ้ามันแตกดับแล้วก็อาศัยมันไม่ได้เลยไม่พานไม่ใกล้ไม่ไกลไ เือถอนอุปทานแล้วใจเป็นนิพพานคือพระอรหันต์ท่านไม่มีพุทโธสังโคท่านพอแล้วเฉยจากรูปเฉยจากเวทนาเฉยจากสัญญาเฉยจากสังขาร เฉยจากวิญญาณจึงเป็นนิพพานเมื่อจิตเป็นนิพพานแล้วชาติเกิดไม่มีชาราธรรมโมไม่มีแก่พยาธิความเจ็บไม่มีมรณะความตายไม่มี ตัวตายมันตัวขันห้าตัวไม่ตายคือตัวจิตตัววิญญาณก็ตัวตายเมื่อ ใ, ใจเป็นนิพพานแล้วชาติความเกิดไม่มีแก่ใจชาราความแก่ไม่มีแก่ใจพยาธิความเจ็บไข้ตัวร้อนตัวหนาว ไม่มีแก่ใจมรณะความตายความเกิดไม่มีแก่ใจใจก็เป็นพระนิพพานพ้นจากความเกิดแก่ความแก่ความตายไม่ต้องกลับมาเกิดให้มันทุกข์ให้มันยากลำบาก ในโลกนี้ผู้ที่ปฏิบัติจริงทำจริงแล้วย่อมเห็นอยู่ที่ใจของตนเองทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจใจเป็นใหญ่เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง พุทโธเป็นศีลพุโทโธเป็นฌานพุโทโธก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนเมื่อเราได้พุโทโธแล้วนั่งก็นั่งพุโทโธนอนก็นอนในพุโทโธเดินก็เดินในพุโทโธ